อ่าตอนนี้ไปตัวคนก็พากันออกจิตใจฟังธรรมเราฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมศรัท ธ, ธาของเราให้มั่นคงในการปฏิบัติธรรมการทำบุญที่เราประกอบอกษธรรมมานั้นเราก็ทำตามหลักของบุญเกียรติวัตถุทั้ง10ประการแต่ท่านก่อนเน้น สิ่งที่กระทำนั้นเพียงสามประการคือทานใหม่ศีลใหมยและภาวนาใหม่ในวุตติยา ว, วะตถูนั้นเริ่มต้นข้อที่หนึ่งเริ่มต้นอภิจานาใหมแปลว่าแ ส, แสดงความอ่อนน้อมยอมตัวเองต่อพุทิจาพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามีการหยุดทูก เทียนดอกไม้บูชาละกวาคคำบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นนะเรียกว่าประจานสมัแต่ว่าเราทำใจก็เราให้ให้มันอ่อนน้อมอ่อนน้อมต่อพระพุทธต่อพระธรรมและต่อป ร, ริยสง่งซึ่งเป็นอันดับแรกที่เราองมาดัานั้นเริ่มตอนกนระทาทุกครั้งนะเขาต้องใช้ต้องต้องทำวิธีการนั้นก่อน แสดงอภิญญาณใาม่มีการกราบพระไหว้พรแล้วจึงจะทําบุญอย่างอื่นต่อไปจะทําทานใหม่ศีลใหมอ่อะไรก็ต้องต้องมีอภิญญาณใหม่ซะก่อนเมื่อทาอย่งางนี้ไปแล้วยังมีอีกที่เรียกว่าปฏิทานใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่อว่าเมื่อเราให้ทานแล้วศีลแล้ว แล้วก็ให้สมบูรณ์ที่เรียกวุทิคุศสการอุทิคกณสนนั้นก็ทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งเราหย่าน้ำเทน้ําด้วยนึกในใจด้วยอย่างที่สองเราไม่ได้เทน้ําแต่ว่านึกในใจประกาศขึ้นในใจวาคําเจ้าคดสิบกุคลนในทานละไมสีละไมหรือภาวนาไมา้ที่กับญาติประกอบหรือกระทำนี้แกใครเราก็ประกาศไปในใจของเรา อย่างนั้นก็ได้กว่าปฏีนาทาไมคือเราให้ส่วนบุญแล้ว <c oughs> การอนโมทนาใหมา่บุญซ้ำร็จด้วยการยินดีพอใจในบุญกุศลที่คนอื่นเขาทำหรือประกอบตัวเองไม่ได้ทำหรอกแต่ไปเห็นคนอื่นเขาทำเขากำลังให้ทานอยู่กำลังถอดปลาถอดกระทิ่นอยู่หรือประกอบ การทําบุญกุศลหื่นๆแต่เรามอสามารถที่จะร่วมทํากับเขาได้แล้วก็ทําใจเขาเรายินดีพอใจในการที่เขาทําได้ประกอบนั้นหรืการบริจาคทานด้วยกันแล้วก็บริจาคทานอย่างสร้างสราราสร้างนี้แล้วก็แสดงความยินดีพอใจให้ใจเขาเรายินดีพอใจในสิ่งที่คนอื่นเขาทํานั้นนี่ที่ อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าบุญไดน้อมให้ใจของเนองน้อมไปอย่างนั้นแต่ถ้าตรงกันข้ามไม่ น, มนนะ้อมมากกว่านั้นอิจฉาคนอื่นเขาอาเกินไปทำหนิ้ตีเตียนว่าทำอย่างนั้นไม่บุญอย่างนั้นก็งว่าไปตามมือ น, น, นั่นเรียกว่าอนุโมทนาใหมา่อนุโมทนาใหม่มาใหมมาหมายความว่าทานเราไปปัจจัยไปร่วมร่วมทำบุญกับเขาแล้วเรียกว่าอนุโมทน า, าอันนั้นไม่เรียกก็เรียกว่าทานามาใหมไป อนุทนาเนี่ยไมได้ให้ทานอะไรเลยแต่ว่าแสดงความินดีพอใจเท่านั้นมีือธรรมะสอนเยการฟังธรรมอันนั้นเป็นเป็นเบื้องต้นการฟังธรรมคือเป็นทางให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจการทำบุญให้ทานเราจะทำได้ล้วจะประกอบได้ ตองเข้าใจแน่วนวว่าสิ่งที่เขาทานั้นประกอบนั้นเป็นปุลเป็นคุณสนเป็นความดีแล้วจึงทําได้ทําให้ทําอย่างนั้นบางคนยังเกิดวิชาทิฏฐิขึ้นมาให้ทานมาเด็บผลทํารักษาศีลไม่เด็บผลหรืออะทาอะไรแล้วไม่ไม่จะผลทั้งนั้นผลจะทำอะไรทอ้ทอถอยไม่ทําอะไรทั้งนั้นตัวเองไม่ทําบางครั้งยังไปไปขวางคนอื่นเขาอีก รอถึงรรกกรรญญรเรื่องนรกสวรรค์ด้วยนรกก็มีสวรรค์ก็บมีพระพุทธเจ้ามาได้วันยัดเรื่องนรกสวรรค์เลยเรงนรกสวรรค์นั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่สรุปคือสารสนาภามเขาตั้งไว้แล้วนรกมันมีเท่า น, นั้นขมตอนนี้ขมก็ขวากันแล้ะสวรรค์มีอย่างนั้นอย่างนั้นก็บบมีละพระพุทธเจ้ามาได้วันยัด ต, ตามหลักก็ พระเทเจาไม่มบัญญัติแต่ว่ารับรองสิ่งที่มีแล้วท่านะนะตัวอย่างเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนากันแลกเมื่อพระองตรัสรูแล้วธรรมเทศนาที่ได้ว่าธรรมจักกับประดานสดพอประกาศไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังนอกจากมนุษย์ก็ตันเจ้ะขีทั้งห้า นอกจากมนุษย์ก็พวกภุมมะเทวดาลุกขาเทวดาลุคเทวดาพื้นดินต้นไม้ภูเขาเขาได้ยินกันหมดแล้วเดี่ยวกับภุมมะเทวดารวมมาแล้วเรียวกว่าภุ ม, มัะเทวดาพวกภุ ม, มัะเทวดาได้ยินแล้วก็ประกาศกล้องไปว่าสาธุ ก, การสาธุการในธรรมเทศนาของพุทธิย่าทีไ่ได้ประกาศนั้นไปเสียงกล้องไปถึง แค่พรดีดาชั้นจาตรุมชั้นจาตุงก็ได้ยินพวกพวกนี้ยเขาประกาศให้ยินพวกจาตุงมไมได้ฟังโดยตรงแต่ว่าอาศัยพวกชั้นต่นํานี้โดยเฉพาะคือพระมเทพอยู่ที่พื้นดินอยู่ที่ตนไหมมันอยู่ใกล้ๆมันเนี้ยมันเขาก็ได้ยินได้ฟังพอพวกนี้ได้ยินเสียงกประกาศไปอีกสวรรค์ชั้นจาตุงก็ประกาศเสียงกล้องไปเป็นเหตุให้ เทว ด, ดาชั้นดาวดึงชั้นต่อไปคือชั้นพระอินนั่นแหละได้ฟังเทว ด, ดาชั้นดาวดึงก็ประกาศเสียงกล้องต่อไปเป็นเหตุให้เทว ด, ดาชั้นยามาได้ยินก็ประกาศทรงต่อไปสวรรค์ชั้นตุติศก็ได้ยินในฝังก็ประกาศไปอีกไปจนถึงศพของชั้นเดืองสังเดือดแสงเดืองวาว เสียงนั้นดังกล้องไปทั่วทั้งหมดเลยเรียกว่า พ, พวกเทพหลายทุกเราได้ยินได้ฟังกันทา ง, งนั้นจึงเนีทํมาจากประกาศหมุนให้โดยว่าคือพวกเทพได้ยินได้ฟังหมดส่วนมนุษย์ก็ได้ฟังเฉพาะปัญจวะกีตะห้าเท่านั้นส่วนปัญจวะกีตะห้าก็ได้ผลคือพระอัญญาโกนทะยาได้ดวงดาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรมในสิ่งนั้นน่ะที่ได้ยินได้ฟังว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่คันลังขั้นกำลังฟังฟังธรรมเทศนาที่พระเจจาแสดงแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจพุทขึ้นมาในจิตที่เราดวงตาเห็นธรรมเกิดความรู้ขึ้นมาในใจคือตายรักปรากฏขึ้นในจิตของท่าน ปรากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาทั้งนั้นไม่มีอะไรเหลือในโลกรวมแล้วก็คือหลักอนิจจังทุกขังตาตาปรากฏขึ้นในจิตมันมองเห็นสังขารสังขารมีใจครองหมายถึงมนุสัตว์ทั้งหลายสังขารไม่มีใจครองหมายถึงแผ่นดินต้นไม้ภูเขาแต่โดยเฉพาะก็หมายมนุรยสัตว์นะเป็นตัวสําคัญมาก มนุษย์แสัต์ทางร้ายมนุษย์ที่มีอํานาจบาสนะใหญ่โตมีอํานาจบาสนะเป็นพระราชามังกษัตรย์เป็นถึงอ่าพระเจ้าจากกักรพรรดิราชเลื่อนเรื่องไห น, นมีอํานาจมีบรรบุญบรารมีมากถึงขนาดนั้นก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดไม่มีเหลือทามาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องแก่เจ็บตายสัตว์เดียร์ช้างก็แก่เจ็บตายหมดอา้าวนี้เฉพา ะ, ะพเฉพาะมนุษย์อา้าวลุ่นเข้าไปอีก เพศเทวดาชั้นแต่ละชั้นอาจารย์ก็มีการเคลื่อนมีจ e ุติและเกิดเหมือนกันไม่มีใครที่ดำหลงนั่นอย่างนั้นตลอดไปเี่ยพระอริยบุคคลที่ท่านโดยดวงตายิ่งทำท่านตั้งใจฟังสงบจิตใจฟังอยู่ในจิตเรียกว่ากําหนดจิตเลยเขาฟังมากข้าวมากเขาก็เกิดความรู้พูดขึ้นมาในจิตนนั้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา อันหลักอั น, อ น, อ น, อนอยัง น, น, นั่นคือหลักวิปัสนาเนี่ยวิปัสนาญาณมันเกิดขึ้นในจิตถ้าสิ่งนั้นมาประกอบขึ้นในจิตพับมันเห็นคนเห็นโทษขึ้นมาเลยแล้วก็ปล่อยละปล่อยวางได้พรเห็นจริงขึ้นมาในใจอันนี้เฉพาะสิ่งผันอกแล้วนอกจากนั้นสิ่งภายในเนี่ยเห็นว่านี่คือทุกนี่คือสมุทยัย นี่คือนิโรดนี่คือมรรทางปฏิบัติมันก็เกิดผุดขึ้นในจิตนั้นหรือปรากฏขึ้นอีกว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารในวิญญาณปรากฏขึ้นในจิตเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วจิตใจตัวเองก็สามารถมองเห็นมาสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ะไก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดไปถือ แต่ว่าอาศัยสิ่งเหล่านั้นนั้น่านั้นมายึดถือเป็นตัวเป็นตนในหลักคําสอนพระพิจาวะไม่ให้ถือเป็นตัวตนไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราในขันห้านี้นะเราพิจาจึงสอนเป็นอนัตตาลักษณ์ลูกไม่เฉยตนเวทนาไม่เฉยตนสัญญาไม่เฉยตนสังขารไม่เฉยตนวิญญาณไม่เฉยตนสอนไว้อย่างนั้นที่สิ่งนั้นพุทธิจารปฏิเสธหมดขันห้านะ และสิ่งที่มันเกี่ยวพนอยู่ในขันห้านี่คืออะไรก็คือใจเกี่ยวพนในขันห้าแล้วก็แฝงไปเป็นนั่นก็คื อ, อวิญญาณวิญญาณเมื่อที่มันไม่ใช่ใจแต่ว่ามันไปจากใจนั่นแหะวิญญาณก็ได้วกว่าเป็นเป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นก็เลยจะสอนให้เรารู้สิ่งเหล่า น, นี้ตามความเป็นจริง รู้ด้วยความสงบใจสงบแล้วให้รู้ตามความจริงไม่รู้ไม่ได้รู้ตามที่เราจำได้ถ้ารู้ที่จำได้แล้วมันก็ละถอนปล่อยวางไว้ไม่ได้เพราะเราจาได้เท่านั้นจึงปล่อยวางไม่ได้ทีนี้วิธีการถ้ามันไม่เกิดได้ เ, เห็นได้ยินขึ้นได้ฟังขึ้นมาในขณะที่เราฟังอในขณะที่ประสบเหตุท่านก็ให้สร้าง สรางเพื่ให้ให้เห็นด้วยปัญญาอันก่อนที่จะสร้างให้ใจเห็นด้วยปัญญาให้เห็นขันห้าตาเนี่ยต้องสงบจิตก่อนประคองใจของเราเข้าสู่ความสงบจะทาใจสงบต้องตั้งไว้ในกรรมฐานตั้งไว้ในกรรมฐานแล้วจึงสงบใจาตัวอย่างเช่นว่าเอาง่ายๆอย่างที่สอนว่าพุทโธดึงความรู้สึกมาจดจ่อไว้กับลูกพุทโธ พุทโธพโพดุจะจับจุดเืึกพุทโธนั้นได้พอจับจุดแล้วก็หยุดไม่ว่าพุทโธดีรักษาตัวนั้นน่ะรักษาตัวที่ที่มันว่าพุทโธนะเรียกว่ารักษารักษาใจทีนะหรือรักษาจิตก็ได้รักษาเพราจะมันงัวเป็นอันหนึ่งพอปฏิกามมาเข้ามาก่อนแล้วก็ปล่อยจิตปล่อยลงไปเข้าสู่จุดของมันเอง แล้มันได้บริการอย่างพทาุพทโธพทุทโธพุทโธอยู่ตลอดไม่ใช่นะั่นคือทําให้มันจะจุดแล้ววางจิตของเราเข้าสู่ผวังตั้งใจของเราเข้าสู่จุดตังให้ตั้งมันทำให้มันเป็นหนึ่งให้ใจมันเป็นหนึ่งให้มันรวมเป็นจุดหนึ่งเมื่อมันรวมเป็นจุดหนึ่งแล้วเมื่อใดจึงเรียกว่าสมาธิสมาธิก็คือเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่ง ในขณะที่เราปฏิบัติเรื่เอกตาลงคือเราทําใจให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างว่าเรานึกทโธพูดโทด โ, ทโทกับมีเป็นอารมณ์อะนั้นแหละอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์อันเดียวอ๋อเป็นหนึ่งก็คืออารมณ์อันเดียวเมื่อทําอย่างนั้นมากเข้ามากเข้าเป็นการผูกสติเมื่อผูกสติดีแล้วสัมปัจญะมติดต่อกันแล้วจิตก็ตั้งนั่นลงคานี้มันก็เป็นก็ลองเป็นเอกาตาเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่ง ไม่ถือว่าอารมณ์เป็นหนึ่งแต่ว่าถือว่าจิตมันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งไปรวมจุดกันแล้วมันจะหนึ่งในจุดเลยไม่ถ้าเป็นหลายอย่างให้รวมจิตเขาเรางมันเป็นหนึ่งในจุดนั้นรวมแล้วก็ไอเวทนาสัญญาสังขารวิญยาณมันไปนรวมจุดกันเลยเป็นจุดเดียวนั้นจึงเรียกว่าสมาธิเมื่อมังเป็นอย่างนั้นแล้วท่า น, ท, านท่านกอให้กําหนดรู้ เพื่อให้ใจเขาเรารู้แต่กูจริงกําหนดรู้กําหนดว่าไหนได้ใจว่าใจมันรวมลงแล้วงเราก็สามารถกําหนดได้เลย่เอออาการอะไนี้นอย่า่อใจใจไม่มีตัวตอนไม่ยูปร่างพันสันฐานหรอแต่ว่าสามารถกําหนดอาการได้กําหนดลงไปให้ลูกใจมีตัวไหมมันก็หม่มีแต่ว่ามันมีรู้ถ้าเป็นตัวใจจริงๆอ่ะเปนหมาไม้หว่ามีความรู้สึกอยู่ เวลาเราก็แช่เข้าถึงใจก่อนประคอความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดรู้ให้ไปรู้อยู่ที่รู้คือความรู้สึกมันรู้อยู่ที่ใดก็ไปตั้งมั่นรู้อยู่ตรงจุดนั้นมนแนวเข้าถึงจิตที่ถ้าว่าจิตม่นขยายจากจุดรู้อันนั้นไปรับรู้สิภายนอกหรือภายในจึงเรียกวิญญาณถ้าใจอันถ้าไปรู้ภายในนะ มันถ้ไปรู้สุขรู้ทุกข์ที่มันขึ้นเละรับรู้สุขรับรู้ทุกข์รู้สึกอ่อลุสึกว่าสบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกเฉยเฉยถ้าอาการรู้สึกนั่นแหละเรียกว่าใจไปเสวยใจรับรู้อารมณ์จึเรียกอาการนั้นไม่เป็วิญญาณไม่เรียกว่าใจกันเรียกว่าวิญญาณแต่มันก็ไปจากใจนะไปเปลี่ยนสีใหม่ท่านะต่ประดับประดาใหม่ทั้น ทีเรียวิญญาตนี่ภายในอ่ะไปรับรู้จาได้สันจันไปคิดไปนึกไปไปตุงกวัวเองก็เรียกวิญญาณอ่าอันนี้ภายในทีนี้อไปภายนอกเลยถ้าใจไนมะ่ส่งกระแสะไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนะี่ยส่งกระแสะไปทางตาก็ดูสิ่งต่างๆต่างตาดูใจก็ส่งกระแสะไปรับสิ่งที่เห็นนั้นหูฟังรับเสียง ฟังเสียงนั่นสิ่งที่ส่งกระแสใจไปรับรู้อารมณ์ทางกายตาหูจมูกนี่ค่ะเรียกว่าวิญญาณทางนั้นไม่เรีย ก, กว่าใจนั้นท่านจึงให้กําหนดรู้ตามความเป็นจริงนี่ใจคือรูค้ความรู้สึกอยู่ที่รู้นี่เรีย ก, กว่าใจสิ่งนอกนั้นเหมือนเป็นเรียกวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่ใจหรือไม่ใช่เราปฏิจจารถูกปฏิเสธเราลูกก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เรา สัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็เราวิญญาก็ไม่ใช่แล้วเราคืออะไรดีเราในที่นี้หมายความว่าใจตัวกลางตัวท่ารู้ที่มันนีนั่นแหะเราแต่จะไปถือตัวตวนเป็นรูปหลานความสถานไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่มีไม่มีตัวตนแต่ว่ามีมีรู้อยู่เราสามารถกําหนดอาการได้ให้รู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริง ว่านี่คือคือเวทนาเนี่ยคือสัญญานี่คือสังขารนี่ตัวอย่างนี้คือจังลงไปอีกกําหนดลงไปอีกเวทนาสัญญาสังขารดาวมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนาก็เปลี่ยนแปลงสัญญาสังขารมัเปลี่ยนแปลงทันนะ้งนั้นไม่อยู่อย่างนั้นจึงงดีกว่านิจจังตุกตาณาติย้อนคือหมาตัวรู้ดอนหมาใจกําหนดต้องตัใจก็คืออันนี้คือรู้อ น, นี้ ใจนี่ไม่ดับมีอะไรมันก็รู้สุขมาก็รู้ทุกมาก็รู้อะไรสักยตาๆมันรู้ทั้งนั้นรู้ในจิตอันนั้นเึงมันเป็นตัวไม่ตายเขาไม่เกิดดับอยางนั้นก็มีสภาวะที่รู้อันนี้ได้ว่าเราําหนดให้มันรู้ตามความเป็นจริงไม่ให้ใจของเราไปถือเอาเวทนาอเอาสัญญาอาสังขารนาญญาณว่าเป็นตัวตน เมื่อเรากำหนดเราพิจารณาตามนั้นอานนี้เราไม่ถือเป็นตัวตนทํำยังไงแล้วก็กําหนดนเขาด้าไปหาตัวอย่างว่ารู้สึกว่าเปทนสุขหรือรู้สึกเป็นทุกข์ถารู้สึกเป็นทุกข์แล้วใจ ก, ก็ไปตั้งอยู่ที่ทุกข์นั่นแหละนะยังไปยึดถือเลยยึดถือที่ทุกข์ที่ยากลำบากอันนี้จะก็ กำนดดงรู้ทำไมอย่าค right ืนไปเข้าไปหาดงรู้ข้างไหนลูกอย่าไปเอาใจใส่ตรงทุกนั่นแต่เอาใจใส่ดงรู้ใครงไหนนู่นอย่างนั้นยะประกําหนดรู้ภายในกําหนดรู้ใจหลาทุกข์ทั้งหลายที่มันมีมันก็มีอยู่นั่นแต่ไม่ดุลแรงถ้าว่ากําหนดดงรู้แล้วสุขก็เหมือนกันถ้ามันเกิดสุขขึ้นมาแล้วก็กําหนดดงรู้ด้วยมันรู้สุกขึ้นมาแล้วกําหนดดวงรู้ด้วย อย่างนั้นจึงเรียว่ากําหนดรู้ให้กําหนดรูต้ตามกฏจริงสิ่งเหล่นัน้นไม่ตั้งมันตลอดไปแล้วเราก็สงบใจต่อเมื่อสงบใจอย่างรูปใจอย่างไม่รู้จึงเมื่อกำนวดรู้กำนวดรู้มาทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือเอาใจแทรกแทงเข้าในกายของเราทั้งหมด ดูทั้งนอกทั้งในดูผมดูขนดูแล็บดูฟันเนี่ยนึกไปตามสภาพของร่างกายนะเานี่ยบอกว่นั่นคือร่างกายรวมแล้วก็มีหนังลูกอยู่บนที่สุดหรอกทางในเนี่ยเต็มได้วยของสโครตติคูลทั้งนั้นในร่างกายร่างกายเนี่ยไหล่องบริโภคอาหารเข้าไปบริโภคแต่ของสกระบอกสองมุมทั้งนั้นเรกินสองก็ของโสกระบอกกันนะแล้วมันก็ของโสกระบกมันก็ไหลออกมามันอย่ป็นอย่างนี้รวมแล้วก็ร่างกายเนี่ยคือ คือร่างผีเน่ยอย่างที่เรามองเห็นคนรือนเขาตายเป็นร่างผีเราก็ไม่อยากไปแตะต้อนไม่อยากแสตช่ตองไม่รู้จักไม่อยากจะจับเลยเพราะมันขยะขยะแขยงในร่างกายนั้นแต่ก็มองเปรียบเทียบวับร่างกายอันนั้นก็เหมือนร่างกายของเราอ น, นี่อั น, น, อ น, นเดียวกันนั่นแหละทำหมดลมแรงเมืมไไ่อใดเขาก็เดียวกว่าผีละอืแต่ว่าในขณะที่ใจยังคองอยู่เขาไม่ยังไม่เรียบกับผีนั่นในขณะที่ใจของเราคองเราก็สอนให้ใจของเราตั๋วลองจริง หมอรูปร่างกายเนี่ยนเป็นอย่างนี้ใครจะไปยึดไปถือเอาว่าเป็นเราเป็นของของเราไม่ได้ทั้งนั้นเห็นว่าใจเนี่มาอยู่อาศัยชั่วขณะเวลาไปอาศัยเนี่ยได้สร้างความดีได้ไม่มีรูปร่างกายสร้างความดีอะไรไม่ไหนจะจะให้ท า, กก า, กากนก็ต้องมีรูปร่างกายรักษาศีลก็ต้องมีรูปร่างกายเจรเลิศภาวนาก็ต้องมีรูปร่างกายไม่มีรูปร่างกายมันไม่มีพลังในการจะทำมนั้นๆได้อ่าลูก นี่พี่นาะร่างกายโอ้รูปร่างกายนี้มันไม่ตั้งอยู่อย่างนี้หรอกมันก็จะเปลี่ยนสภาวะไปแล้วก็มีทุกข์ไหมถ้ามันมีความไม่สบายทําไมถึงไม่สบายที่ไม่สบายก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนเราใช้ความคิดพี่นาะตามเหตุตามผลของรูปร่างกายนี้แล้วหยุดถีถ้าหยุดแล้วกําหนดรู้อยู่ถีกําหนดรู้กายทั้งหมดประคองความรู้สึก ดึงเข้ามาสวมกายนี้เหมือนเราเอาส่งเป็นรวมไก่เงี้ยน่ะสวมกายในพับไ ว, ว้เลยให้ใจสติของเราทั่วถึงจับมนันแ่วไวจับตมันรู้อยู่งี้ยกาหนดไว้อย่างางี้ที่ทําอย่างนี้มีมืความประสงค์คือเมื่เรากาหนดมากเข้ามากเข้าใจก็จะมันก็จะจับนั้นสนิทแน่นแน่นมากเข้ามากเข้าเมื่อสนิทมากเข้าเข้าเข้าไปก็จะปรากฏเอง กายนี้จะปรากฏให้ใจเห็นเห็นรูปลักษกายของเราเนี้ขึ้นมาเลยบางทีปรากฏว่าเห็นผมขึ้นมาเห็นเอาไว้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายปรากฏทับขึ้นมาเลยเรว่ากายปรากฏเองเห็นกายแล้วถ้ามันเห็นแล้วบางครั้งก็เห็นเป็นอุกังวิครั้ ง, งแรกก็เกิดไว้ว่าดับไปแต่กาหนดไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปดีใจที่เสียใจหรอกพราะกำหนดว่าามาเข้ามาเข้ามาเข้ามันก็จะประกากฏชัดเอง เป็นโอกาสในวิทก่อนถ้าเป็นโอกาสในวิทมันเกิดในจุดใดก็ปรากฏว่าใจเอาใจจดจ่อในจุดนั้นไว้จนกว่าสิ่งนั้นจะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นทั้งหมดกายหน้ามาจะจะไปวิปัสสนากรรมฐานปรากฏขึ้นแต่ในถ้าปฏิบัติมันยังไม่มียังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเมื่อกนานําหนด น, นานข้าในานเทมานานพอสมใจแล้วแล้วก็คืนไปกําหนดลงรู้อยู่ที่ใจไปรู้อยู่ที่ใจ ไม่ต้ไปคิดไปเพิ่งไปแต่งมาไหนนั่นไปให้รู้อยู่เท่านั้นนั่นคือสมาธิเราไปอยู่ด้วยสมาธิทีนี้ถ้าไปรู้อยู่เยอะตลอดปัญญามันก็ไม่มีดังนั้นเราจะไม่ต้องสร้างปัญญาให้ใจเที่ยวอุยปัสนกากามฐานเมื่อใจของเราได้หลักได้ฐานแล้วก็กําหนดรู้ดังที่ว่านมากำหนดว่านี่นี่คือใจนี่คือเวทนานี่คือสัญญาในสังขารนิมยานกําหนดคืนมารู้ใจ กำหนดรู้อยู่ที่รู้แล้วกาหนดไปอีกจนท่ามันชัดเจนแล้วก็กําหนดรู้กายพิณากายทําอยู่อย่างนั้นแล้วก็มารู้ใจเอาใจถึงเมื่อเรามากําหนดรู้อยู่ที่ใจแต่คราวนี้วิปัสสนาญาณมก็จะเกิดขึ้นเองบังที่ว่าดวงตาเองทำมันก็จะปรากฏขึ้นในจิตก็เป็นทางละถอนปล่อยวางได้ทีนี้นมันเกิดขึ้นเองนั้นนะถ้ามันไม่เกิดแล้วก็ยางก่อนแต่ว่าถ้าใจได้แล้วความสงมได้ไปหนึ่งมันก็เป็นเครื่องบันเทา สิ่งต่างๆได้อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติภาคปฏิบัติในด้านภาวนาไหมย่อๆนั้นทุกคนก็พากันทําให้เป็นรวมควาเราการภาวนาไหมก็ในอ า, อาการที่เราสำรวมใจทําใจข้ก็ทำให้เมียเราเป็นหนึ่งเป็นสมถะเมืม่อเป็นหนึ่งแล้วเราก็กําหนดรูปที่นกําหนดรู้ใจนะกําหนด ร, นดรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกําหนดรู้รูปเวทนาสัญญาให้เห็นตามความเป็นจริง แล้วก็ปล่อยวางมารู้ใจปีถ้ามันสงสัยก็กำหนดอีกกาหนดแล้วกำหนดอีกจนกว่าวิปัสนาญาณจะเกิดปรากฏในจิตก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางอาการถ้ามันปล่อยวางเกิดด้วยขึ้น่องวิปัสนาญาณปล่อยวางยึดถือขนันธ์ห้ายึดถือว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นยานเป็นเรา แต่ว่าใจนี่คือใจอันนั้นคือขันห้าดูเลยมันก็อาศัยก็อยู่นะทีขันห้าก็คือขันห้าใจก็คือใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าใจนั้นมันละถอนสัพากทิฏิวางขันห้าไว้ตามสภาวของมันเองตามหลักว่าพระธาตุบุคคลชั้นโสดาบันชั้นตนนะ้นน่ะทำสมาธิ วิปัสนาญาณเกิดขึ้นแล้วนั้นก็เป็นการละถอนปล่อยวางส ก, กัดทิฐินี้ได้ปล่อยวางการยึดถือขันหานั้นได้เมื่อปล่อยวางขันหานี้นได้แล้วทีนี้อีกสังโยชน์อีกสองข้อส ก, กัดทิฏฐิ ว, วิจิกิจฉาสีลวัตตปรมัตวิจิกิจฉาแปลว่าสงสัยสงสัยว่าโลกนี้มีไหมโลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมคนทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปไหม จักหายสงสัยในสิ่งนั้นนันหมดเลยตลอดทั้งเรื่องในโกสวรรค์ก็ไม่มีสงสยัยที่ที่เถ้าพระตรลามากหมายถึงการรูปขำเข้าปฏิบัติจับจับจดๆไม่แน่นอนยังสงสัยในรัฐที่วิธีการเรียนที่เขาภาวม า, ากันอย่างเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็สงสยัยแี่นี่เมืตัวเองถึงไนมะ่หลักอันนี้เท่านั้นาจึงถูกทางหลักอื่นไม่ใช่ละหลักอันนี้เท่านั้นเป็นทาง ตามมาตามมักหรือตามสฏิบัติฐานพุทธิยาวางนี่เท่านั้นถึงจะถูกนอกจากนั้นไม่แม้จะถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักฐรนพุทธศาสนาก็ตามแต่มันไม่ถูกมัธยมาปฏิบัตานพุทธิยาวาที่เราปฏิบัติผ่ า, า, านั้นมันถูกต้องตามมัธิมาปฏิบัตาที่พุทธิยาวางไว้ให้แล้วแล้วก็แน่วแน่เชื่อแน่วแนะ่ในผู้ประทังประสงค์ขอใจสงบพับลงเบื้องตอน้นเป็นสัมมาสมาธิแต่เอ็นเป็นหนึ่งแนละ้วทา่านนั้น นั่นแหละชื่อว่าใจเนีเข้าถึงพุพทธธรรมประสงแล้วแล้วไม่ต้องอ้อนวอนอ่ ะ, ะทีมันพุทธธรรมประสงค์มีอยู่ในใจแล ว, ว่าภายในนะพระพูดหมายถึงคนธรรมคุนธรรมของพุทธเจ้าพระธรรมก็หมายถึงคนธรรมหมายถึงคนธรรมของพระธรรมพระสงฆ์ก็หมายถึงคนธรรมของพระสง์ที่เราสวดอย่างไอทีวีโชว์ว่าห้างส ม, มาส ม, มุโทโวิชัยเจะิญสมมนโนสุโตร อันนี้พุทธคุณอันดับแรกคืออัลลังเป็นผู้ไกรกิเลสไม่มีกิเลสอทีนี้หมายถึงอะไรที่ไม่มีกิเลสก็หมายถึงใจหมายถึงธาตุรู้เพระพุิธเจามีใจสีสาวกขณะก็มีใจเหมือนกัน่ะทีนี้ถ้าภาษาวาอกขณะถ้าเรามีใจแล้ ว, ลวเราสามารถชําระล้างทําใจให้มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเลยไหมก็เรียกว่าเราเข้าถึงตัวกุโฑเข้าถึงธาตุรู้แล้ว และอาการที่ใจของเราสามารถทําความสงบนั่นแหะคือธรรมะเข้าถึงธรรมแล้วพอถึงเข้าถึงปุ๊บและอาการที่เรากระทำอย่างนี้ที่จะเกิดจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องแล้วมันจะเกิดผลตามหลักของคุณพระสงฆ์ว่า ส, ปปสปปยายุปฏิพญโญอุทุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนคุณสี่ประการนะั่นแหะคือคุณของพระสงฆ์คุณ ป, ปฏิบัติถูกตามแนวทาง เชื่อว่าเข้าถึงประสงค์ฉะนั้นเราปฏิบัติตามนี้ก็ชื่อว่าเราเข้าถึงเข้าถึงเด้วยค น, นธรรมเข้าถึงด้วยการปฏิบัติแล้วไม่ต้องหว่อนอ่อนไปถือว่าพระธรรมประสงค์อยู่นอกถือว่าพุทธก็คือพระพุทธโูกที่เรามองนั้นไม่ใช่เราการาบเราไหว้เพื่อเาเลื่อลึกถึงพระพุทธอีกต่างหากนั้นเป็นพระแบบเป็นพระรูปทองพระพุทธรูป อ, อย่างที่เขาก่ออย่างนั้นแต่เราเข้าถึงด้วยใจ เมื่อ ใ, ใจของเราได้สงบสะงับเป็นสมาธิแล้วเมื่อใดจึิงๆว่าเข้าถึงธรรมะเมื่อเข้าถึงธรรมะก็ถึงพุท ธ, ธสังฆะไม่ต้องไปอ้อนวอนข้างนอกอีกเดี๋ยวปฏิ ญ, ญาณมาพุทธทางสังฆามิธรรมังสังฆามิสังฆังสังฆาาเนมิขา้าพเจ้าขอถึงพปฏิญาณเป็นทีเพิ่งขอถึงพระธรรมวเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์เป็นดีเพิ่งหมดนั้นเป็นคําปฏิญาณนะปฏิ ญ, ญ, าา ญ, ญ, าา ญ, ญาณแล้วมันหมายเขามันถึงนะแต่ว่าปฏิ ญ, ญาณแล้วปฏิบัติให้ใจของเรา มีสติสมาที่มันจะเกิดขึ้นนั้นจึงที่ว่าเข้าถึงพุทธธรรมสองการฟังเทศฟังธรรมท ำ, ทำเราฟังเพื่อจะอสร้างศรัทธาชั้นแทาของเราให้มั่นคงในการปฏิบัติในทางพระศาสนาในธรรมะถ้าว่าศรัทธามันอ่อนศรัทธามันมันไม่มั่นคงนะมันก็หล่อแหละเล้วไหลมันไม่ไปจะมั่นคงนะัก นั่นอาจจะไม่ต้องสร้างศรัทธาด้วยการฟังแต่เมื่อใจของเรานะํามันเข้าสู่ความสงบแล้วใจมั่นคงหรือสมาธิเกิดขึ้นในจิตแรงวศรัทธามันก็เกิดแหละแต่ในขณะที่ใจยังไม่สงบศรัทธา ก, ก็มีแต่ว่ามันน้อยมันไม่พอมันไม่สามารถทําใจเขารามีปิติปาโมทในการปฏิบัติในการกระทํานั้นได้ แต่เมื่อใจพวกเรานะได้เข้าถึงธรรมะได้รับความสงบแล้วมันเป็นเองเปนเครื่องติดต่อหนึ่งเรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นธรรมะเกิดอันดับแรกรู้จัเมตตากรุณาความอายบาปความกลัวบาปที่เกิดขึ้นนั่นมันเป็นตัวสีความอ้ายบาปความกลัวบาปที่มันเกิดขึ้นกิน่เป็นตัวสีความเมตากรุณามันเป็นอุมริหาร แต่ว่ามันจะเป็นกลายเป็นอัปบรญย์ไม่ตายนะมีสองประเภทหรือพอมีหารมันมีสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าพอ ม, มีหารประเภทหนึ่งเรียกว่าปัญญญยาประเภทที่พอมเป็นพอ ม, มีหารนั่นว่ะนั่นเป็นธรรมะสําหรับเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จําเป็นจะต้องตั้งอยู่ใน ผมมีหารสี่คือเมตตากรุณาบุติตาโอเปคา้าเมตตาคือหมายถึงความรักใคร่ความยินดีความพอใจเหนี่ว่ารักในลูกในหลานตัวหวังดีต่อลูกตหลานตัวเองให้ลูกหลานตัวเองได้ดีอย่างนั้นอ่านี้ความหวังดีอย่างนั้นถ้านเหนี่ยวเมตตาก็ยังขอบเขตในลูกในหลานตัวเองแต่ที่คนอื่นน่ยจิตใจขขาเราก็ ไม่ได้หวังดีจะให้เขาลุกเรื่องอย่างนั้นไม่ได้คิดไม่ได้คิดอย่างนั้นก็มันหมายว่าคำมันผิดไม่ได้ผิดถ้าคนเราจะจะไปใช้รับแบบนั้นหมดมันก็ไม่ไหวที่ในนะั้นทนองก็ว่าตําทิกระลายม่น้ำเดือมไม่พอเพียงพออย่างว่าเม่ตายจะไปรับ ไ, ไข่พอใจท่วโรกอะไรนี่ไม่ได้ แต่เมตตาอภิญญาของวิญญาณนี่มันเป็นไปนในกิตคื อ, อหวังดีกับทุกๆคนพอใจกับทุกคนเมตตาในหมายทุกมีเจริญชับเพราะในใจเท่านั้นความหวังดีอยากทำเขามีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความปัตตนาในใจอย่างนั้นเรียกว่าเมตตาส่วนก็ราะนาเพราะว่าสงสาร คือต้องการจะคิดจะช่วยให้ค้นทุกข์ทหน้าที่ที่จะแก้ไขช่วยช่วยเกื้อกูลคนอื่นช่วยเหลือเขาให้เขาพ้นทุกข์ยากลำบากอันนั้นได้กุณาวิตุมุติตามันทึ้งยินดีพอใจยินดีพอใจในขณะที่คนอื่นเขาได้ทําทําดีแล้วแล้วยินดีพอใจในการกระทำอันนั้นนั้นไดวมุติตา ตอนโอเปกขานั้นอันนี้ท่านให้หนําไปใช้ในสุดท้ายในหลักผมมีหารคือเราใช้เมตตามันก็ไม่ได้ใช้กรุณามันก็ไม่ได้ใช้มุติตาก็ไม่ได้ก็ต้องใช้โอเปค่าตัวอย่างเช่นว่าเราเกิดเป็ตาสงสารมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากดูตัวอย่างว่า แร้วปอา่านหนังสือทีเห็นคนอื่นถูกประทุสร้ายเช่นว่ามีข่าวว่ามีคนจุดผู้หญิงข่มขืนผู้หญิงน้านแหลรับความทุกข์ยากระมักเมื่อเราได้กระทบเนีก็เกิดสงสารมองเห็นว่ามันเป็นทุกข์ูกเวียดเบียนในหมอกหมองเราเกิดเกิดสงสารขึ้นมา นี่อาการที่เกิดสงสารเราจะไปช่วยเลยก็ไม่ได้เพราะมันไกลจากเรียนหน้าที่ของเรามันทําไม่ได้อะโรนานะเราจะไปช่วยก็ไม่ได้อย่างนั้นจึงใช้หลักว่าอุเบกขาทำใจไปกลางทําใจไปกลางไมละหมายเขาเฉยทําใจประการนั้นึ่งคําำนึงว่านั่นสัตว์ปีกรรมเป็นของตัวเอง เราในละกรรมัมวัฒน ม, มิบากก ร, รมเป็นอย่างนั้นเขาคงจะเคยพัทุสร้ายกันมาเขาจึงได้รับผลอย่างนั้นนั้นอันนี้เรียกว่าไช้เปขาสุดท้ายที่มันย่อยากอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะคนนึ่นโดยมากใช่พ่อแม่ใช้ผมมีหารไม่เป็นอนะไรก็จะใช้เมตตากรูน้นะ ผู้ติดตามทั้งหมดเช้าไปขายทีทั้งๆที่ลูกตัวยองทำหย่ำเป๋เต็ม ท, ทีแล้วแทนที่จะหาอุบวิธีลงโทษก็ไม่เอาซะแล้วป้องไว้ทั้งนะั้นลูกทำชั่วอย่างไรก็พยายามที่จะป้องไว้แล้วก็เลยได้ใจนีเ้เขามีปัญหาถามพ่อแม่ถ้าเป็นคนดีพ่อแม่เป็นคนดี แต่ว่าลกเป็นคนยำเปรย์เไม่เห็นความทำไมพ่อแม่ดีแล้วใจจึงไม่โล่นได้ลูกดีอยละก็มีปัญหาหว่ามันมันไปกรำร่วม ก, กันไปกำล้อมกันเนี่ยก็ในข้อที่ว่าบินดีกับลูกแต่ว่ามีลูกมัไม่เลูกคนเดียวลูกทําชั่วบางทีมันไป รักขโมยคนอื่นเขาได้เงินได้ทองมานะก็เอามาให้พ่อแม่พ่อแม่ก็เลยยินดีแม่ก็เลยยินดีโดยเฉพาะคือแม่ยินดีเงินทองที่ที่ลูกๆได้มานะทั้งทั้งมัเป็นของจรของที่รักมาแม่ก็เลยยินดีด้วยนั่นแนะ่ะพ่อก็ยินดีด้วยกันนะั่นแหละต่อไปในบหน้าคตก็ไปเกิดกันอีกหรือร้องกันก็ไปทําไม่ดีอีกแม่ก็ลำบากใจอีกนี่นะ นึกว่าใช้ผมมีหารไม่เป็นดังนั้นท่านจิงให้ใช้ผมวิหานไม่ให้เป็นใช้เมตตาให้เป็นกรุณาให้เป็นใช้เมตตาหมายถึงว่าเรามีความหวังดูแลนึกกับเราไหมเห็นเขาได้ทุกอย่างบอกเราจะช่วยหรือเรามีทางนะเราสามารถช่วยเขาได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้ก็เป็นเอาเปรีเขา่ มุติตาก็ใช่นี่แหละเพราะเราไม่มีกําลังพรที่จะช่วยท า, างที่ว่ากันเ่อกี้เห็นเด็กทั้งหลายถูกคงคืนถูกท่ามาันเกิดสองสารแล้วจะไปคิดที่จะช่วยคนจะตายถ้าไม่ใช้ประแผล ม, มันก็เกิดพยาบาทไม่ใช่ประเปย์ขาแล้วเกิดพยาบาทเกิดชิงทางลังเกียจคนที่กรทุ้สลายอย่างนั้นบางทีเกิดแช่งในใจเข้าเลยบางทีพูดออกแช่งมาเลย บอกว่าอย่าให้มันฉีบหายมันตายเสียเหมือนไอ้คนประเภทนี้แวมันอยู่ในโลกเลยอย่างนี้เดียกวัใจไม่เวิกขาถ้าท่านมีนิทานไปชดไว้จะจริงเคศยังไงไม่ว่ามาได้รับรองว่าคนที่ไปเป็นจ่ายยมภวานที่เป็นตายแล้วไปเกิดเป็นจ่ายยมภวานเป็นเพราะพวกนั้น เห็นเขาเขาทําเขาลงทอดคนชั่วประทุจร้ายเราจะรู้อยู่ยินดีพอใจเสียว่ะคนร้ายที่มันประทุจร้ายประชาชนแล้วเกินโอหเขาฆ่าพับอันนี้ก็รู้โอ้ยดีแล้วเกินเหมือนหมอนั่นแหนดินไม่จะสูงก็ได้อันนี้ยินดีพอใจในการเขามาทุจร้ายแล้วเขาฆ่าคนจรผู้ร้ายนะั่นเสียอันนี้เรยกว่า นะครัาวิญีาณนั้นแล้วคนนั้นตายแล้วก็จะไปไปจบเป็นจายยมพบาลจายยมพบาลมันมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทรมานทรกรรมพวกสัตว์โลกคุณสลายเต็มที่อแล้วหมูนั้นจะต้องตอบไม่ได้นั้นก็ได้รับผลกรรมไปตามนั้นก็ไปทําหน้าที่เนี่ยแล้วใครจายยมพบาลนั้นมันก็เหมือนเหมือนเป็นเป็ดเหมือ น, น, น, นกันนั่นแหละเหมือนเป็น่ญนนาณที่อ สันแลนวโลกมัสมวยผลตเองแต่ว่าจากพิ่งโมพระบาลเป็นผู้มีหน้าที่ทำให้อันนี้ว่าตามเหตุผลของธรรมะที่มีดังนั้นท่านยิงสอนพวกเราเนะ่ะให้ทำใจนะให้ให้เป็นเมตตาภูมิหานหรือเมตามาเมตาบัญญาเมตตามัมบัญญานั้นหมายถึงท่านที่จดบรรลุธรรมะแล้ว อย่างพระอารหาันต์พระกีนาโศกทางไห น, นท่านจะต้องมีเมตตาเป็นอภัญญาพยายามที่จะช่วยเหลือเกื้อคุณได้ทุกคนอย่างว่าในวันบางครังก็ต้องใช้ขอ ม, มีหานเพรามันทําไม่ได้เราช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้ของมีหานให้มีขอบเข ต, เตอย่นั้นเอาวางอย่างบางประการพวกเราใช้ไม่ได้ช่วยไม่ได้หลักการที่วรปก็คือ ปริญาสอนมาให้เราทำใจของเราให้มันเป็นกลางในสิ่งต่างๆนะให้ทำใจเป็นกลางทีนี้การที่จะทาใจให้เป็นกลา ง, าใใลางมันไม่ใช่ง่ายเลยว่าไม่ยินดีไม่ยิน้ายในขณะที่เห็นลูกฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกข้อปกิปภารู้ธรรมารมด้วยใจให้ระวังใจให้ดีๆ จใจไปยินดีจใจไปยีร้ายถ้าไปยินดีร้ยายนั้นอนะ่ะมันจะเป็นเถรท้่เกิดอกุศลจิตขึ้นมานี่เราจะทำใจเป็นการนั้นต้องทําเข้าในหลักของธรรมมาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ใช่ไหะให้กําหนดรู้ทุกจริ่งทุกอย่างนั้นต้องให้กําหนดรู้เมื่อมันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วบองเข้ามันปรากฏขึ้นมาแล้ ว, ลวเรากนน็รียกกําหนดรู้ขึ้นมากระทบ ไปเสียสาวลโกรธไม่รู้สึกว่พอใจหรือว่าเราได้ยินเสียงเข้าทํานี้จีเทียนหรือบ่าเนี่ยเรารู้สึกว่าพอใจกําหนดดวงหลวงพับอะเรียกว่ากําหนดรู้เมื่อกําหนดรู้จิตเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายแล้วจิตเพื่อจะเป็นการครั้งแรกเนี่ยเราประคองใจเข้าสู่จุดตั้งจุดรู้หุ่นคไม่ยังไม่ได้ผล เพื่อก็กำหนดเพราพอจับได้รับแต่พอจับได้พัพบเวลาเกิดใจก็ น, นิ่งพอ n ิ่งไดคราวนี้มันมีปัญญาเกิดขึ้นตัแก้ไขได้ทีแต่ก่อนนั้นปัญญามันดับพอไเห็นได้ยินได้ฟังรู้สึกยินดีรู้สึกร้ายเป็นธรรมดาไมนเคยผ่านอย่างนั้นมาดังนั้นหลักก็ทั่วไปเนยพวกเราจึงไม่ต้องกันภาพปฏิบัติของพวกเราต้องทําตามหลักนี้ ตามตามหลักของอายศาสตร์ที่พุทธเจ้าให้ไว้ทุกกําเนดรู้สมุดไทยให้ละมีรถคนทำให้แจ้งนักคนนั่งเมินถ้าควรทุกคนกําหนดรู้ไอ้ทุกในที่นะี้เราจะไปถือมองแต่เฉพาะสิ่งที่มันเป็นทุกอย่างเดียวสิ่งที่มันเป็นสุขมันก็คือทุกนั่นเองนะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นสุขแล้วมันสุขตลอดไปนะ่ะ ไม่เลกว่าทุกแต่ว่าถ้ามีสุขแล้วเพราะมันร่างกายปเปลี่ยนสภาวะเป็นทุกข์ไปเลวกว่าทุกนั่นแหละดังนั้ น, น, นท่านคือสอนให้เรากําหนดรู้เลยจะเป็นเหตุให้เราเกิดสูกใจก็กําหนดรู้จะเป็นเหตุให้เราทุกข์ใจก็กําหนดรู้กาหนดรู้ใจของเรา่นะเพราะเราเคยตั้งใจไว้ในฐานือผู้ที่จะทําได้อย่างนี้ต้องเป็นพวกนักภาวนาเป็นคนที่จะทําได้ สำหรับพวกเรานักภาวนากรรมกันให้เราทำเหมือนกันเวลาทั่วไปเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับจิตของเราจ้องมุดข้างในอย่างเดียวแล้วก็วางใจข้อเราเป็นการธรรมดาแต่ว่าถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเขากําหนดรู้พัทแต่นี้เรากําหนดรู้นั่นมาไป็นาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมา แล้วเวลาทั่วไปก็ได้จัดสอนให้อยู่ด้วยสตยิให้มีสติเป็นข้างอยู่ยาปล่อยใจมีสติเป็นข้างอยู่สมายทั้งวันแล้วกำหนดดองรู้อยู่เลยเพราะกำหนดดองรู้อยู่นะ่ะมันก็ได้ขัดข้องลนะแล้วนึกก็รับรู้ทั้งภายนอกภายในได้แต่ถ้ า, าว่าไปบีบบังคับใจว่าในาอารมณ์กรรมฐานขัดข้องแน่จินว่า เราจะบริกรรมในใจว่าพุโทโธพุโทพโธตลอดอี่นะอย่างนั้นมันขัดข้องขัดข้อนในบททั่วไปแต่ว่าเราไอ้บทธรรมดาที่เรานั่งภาวนาเน่ยมันไม่เป็นอย่างไม่ขัดข้องทีนีน้เวลาทํากิจอย่างอื่นอย่างอื่นนอกจากที่เราจะน้องมันขัดข้องแต่พุทโทตลอดมันไม่ได้มันคิดทําไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรากําหนดดวงรู้แล้วว่ามันไม่ขัดข้องล่ะ แต่ต้องทําให้เป็นถ้าทำไม่เป็นแล้วมันก็ขัดข้องเหมือนกันทำให้เป็นก็หมายถึงว่าเราจับจุดที่ตั้งของจิตมา้ได้จับจุดที่ตั้งของจิตนนาะก็ดังที่เคยให้วิธีการอยู่บ่อยๆว่าถ้ายังจับจุดตั้งของจิตไม่ได้ก็ให้กั้นลมกั้นลมไว้นั่นน่ง แล้วก็ประคองใจก็มันก็จะมันก็จะจับจุดที่ตั้งนั้นได้นี่เราจะเวลาเราจะทําสมาธิกับมันกันเรากําหนดลมหายใจก็เราจะใช้กรรมฐานเนี่ยก็ใช้ไปแล้วใช่ไหมเรารมมกําหนดลมหายใจพุทโอ้ก็ใช้ประการเสุดทยเราต้องตั้งจิตนะถ้าทำไปเรื่อยๆไม่ตั้งกินมันก็ช้าบางทีเคลิบเคล้มไปเลยไปโดยซ้ําไ ป, ไ ป, ย, ไปยิ่งรมมายิ่ง ถ้าว่าทําโดยไม่รีบตั้งจิตแล้วมันจะเห็นได้ไม่ทัามันจะครอบงําถ้าเรากําหนดลมหายใจหูือว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วล ก, ลก็ตั้งจิตไ้ด้วยนางข้านางไ่ลมนั่นก็ละเอียดอ่อนไปตามมันหรอกเั้ามาแต่ถ้าไม่กําหนดลงรู้กําหนดจุดรู้แล้วก็ลมหายใจข้อก็ยาบอย่างนะี้ลำบากนะรีบตั้งจุดรู้ ที้ถ้ามันจะมาตั้งจุดรู้เลยเนะี่ยถ้าเราไม่ชำนาญนัํายากแต่ถ้าเราชํนานาญแล้วนะนึกหมูชเช้าวัดถอยทำมันโศเสด็จแล้วก็ประคองใจขงเขาแล้วเขาสู่จุดรู้พัดมันก็ทำได้ทันทีไม่ยากแต่ถ้าเราไม่เคยทําอย่างนั้นมันก็ยากลาบากหน่อยนะึงหลักถือว่าหลักกรรมฐานทั้งหลายเนะี่ยเป็นเครื่องล่อใจให้อยู่นะ สอนได้ประเด็นภาวนา น, นึกว่าพุโทโธพุโทโธเราไปการบังคับจิตอะทำโมังโกรย์กรรมมริกรรมก็มันมันก็ไม่อยากว่าแต่ว่จําเป็นมันต้องว่ามรดิกรรมถ้าทําติดต่อมากเข้ามาก็ใจมันก็จะรวมตัวความสงบคราวนี้ถ้าว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอนุสติสามรละลึก ตามเรื่องเรื่องสิ่งต่า ง, างๆภายนอกอันนี้ถ้าไม่เอาอนุสติอย่างนั้นแล้วก็กำหนดจิตตานุปัสสนาเลยกำหนดดงรู้เลยดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้พับไ่ตอกไปพูดโทธรมโมสังโฆไม่ตอกกำหนดลมพุ่นหายใจันก็ทำได้นะขอใจเราจับจุดดวงรู้นั้นได้เลย เราดวงรู้มีจุดที่ตั้งที่หมายถ้าเราประคองเข้าสู่จุดนั้นทับแต่ลายตรงนี้ก็เหมือนกันก็ต้องทําให้เป็นคนทําไม่เป็นก็เหมือนทุกไปแพ่งเดินขึ้นมาก็จอดจอนแพ่งเอาทางเหมือนกับเอาตาไปส่องลงไป้างนั้นมันกับลําบากมันก็ดิ่นใจมันก็ร้อนเราต้องเอาความรู้สึกไปแนบรู้ก่อนเดิงความรู้สึกไ้แนบรู้ จับจุดรู้เน่ยแล้วก็ประคองรู้ไม่ต้องไปห้ามล่ะสังเกตดูจิตสังเกตดูความคิดความปรุงความแป่งที่มันจะเกิดมันจะมีขึ้นแล้วไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องของมันคิดมันปรุงมันแต่งไม่ต้องไปห้ามมันเรามีหน้าที่รู้อยู่ในจุดนั้นมันอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้มึงรู้ไม่เกิดก็มาเถอะแต่เราพียายอมรักษาจุดนั้นไว้จะไม่แวะไปที่อื่น ภาวะปฏิทินน่นก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นมันเป็นที่ตั้งเป็นจุดตั้งสําหรับที่จะวงเข้าไปให้เป็นสัมมาทิฏฐิตรงนั้นถ้ามาตั้งไว้ตรง น, นั้นประคองมาพับทำครั้งแรงถ้าทําเป็นไม่เพ่งนะประคองความรู้สึกเขาสูดยู่าพับดมันจะรู้สึกความชื่นขึ้นมาชื่นใจขึ้นมาเนี่ยเพรเราไปตั้งถูกจุดนึง ถ้ามันถูกไม่ได้กังวลกัง ว, กวกกลกระเสือกกระสนทันทีประคองเข้ามาเอาแนบความรู้สึกเป็แนบรูกในจุดรู้แล้วก็ม่ได้ไปแพ่งมันต้องหยุดจุดนั้นจุดนี้เขาลงประคองเข้ามาเหอะความรู้สึกมันแนบไว้ในจุดใดก็จับอาจุดนั้นมาตั้งหม่ยถือว่าเราภาวนาเราทุกเราต้องเอ า, จาใจเอาใจเอาตัวผู้โทอะถ้ารู้อ่ะให้เขาถึงถ้ารู้ถ้ารู้นั้นมีสติสัสมปชัญเต็มอัตตา ถ้าเราสามารถทําจดจอ่อในดวงรู้ได้แล้วก็ใจก็เป็นครั้งแรกมันเป็นขณิกสมาธิได้เลยเพราะกําหนดวงรู้นะเป็นขณนิกสมาธิได้เนะยหรือเมื่อทำงานข้านานค้าวความรู้สึกผลปีตมิมันอุ้มผู้ขุ่นีดแล้วมันก็เป็นจพญญาละไปตามลำดับนั่นแหละหลักการภาวนานี้ถ้าเราทําไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ยาก อาวนากำหนดรู้เพใจรู้จักจุดรู้แล้วก็ตั้งในจุดรู้นั้นถูกต้องแล้วก็ใช้ได้แล้วทีน yes. ี้หลักอันนี้เป็นอุบายวิธีสําหรับให้สงบจิตอุบายวิธีสําหรับที่จะให้ใจเขาเลยเห็นทีนี้เราพยายามที่จะเอาใจเขาเราให้เข้าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งข้างในเสีก่อนต่อจากนั้นเราก็ต้องเมื่อเข้า สมาธิเข้าใจเป็นหนึ่งได้แล้วต่อจากนั้นคนือกําหนดรู้กายเด่นกะําหนดรู้กายก็คือเบงความรู้สึกมัดสวมตัวขวองเราเนี่ยทาความรู้สึกนั้นหนึ่งมีในจุดเดียวเนะี่ยทำเหมือนกับ ว, ว, ว่าเอาเราเอาเอาสมไปวงวมไก่เนะออนี่ยรู้กาําหนดรู้ไว้จะพัวตัวอย่างนะอาการที่ทําอย่างนี้นะเมื่อทำมากเข้ามาเข้ามาเข้ า, า, ขานะ่ะกายนะั้นจะปรากฏปรากฏให้จิตเห็น แต่เมื่อยังไม่เห็นเราก็อย่าไปกรนกวนเมื่อเรากําหนดอันนานพอสักคนละ่ะแล้วกลับไปสงบจิตดังเก่าให้จิตมันมีพลังแต่ถ้าว่าเราจะกําหนดอันนั้นเรื่อยๆเรื่อยไปเนี่ยจิตมันก็จะอ่อนสุดท้ายก็จะเปิดไปข้างนอกอนะในขณะที่ตั้งจิตกาหนดดวงรู้พับพยายามประคองความรู้สึกให้เกิดให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งในจุดเดียวมัาแวดล้อ จะทําเป็นหนึ่งได้เราจะไปกลัวความคิดปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นความพูดคิดปรุงแต่งในเราไม่ตระหนกว่าเรียกว่าจิตตามนะักปราชญ์แปลว่าตามดูจิตตามดูความคิดความปรุงความแต่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะใจของทุกทกคนมันจะมีความคิดเกิดขึ้นเรียกว่าธรรมารมณ์อารมณ์ที่มันอยู่ในใจนะมันจะผุดขึ้นมาแต่เราต้องระวังอย่าให้ใจเคลื่อนที่จากจุดที่เราต่างนะั้นรักษาไว้ให้ดีอันไหนจะเกิดขึ้นก็รู้ อันนั้นมันจะผลิตกับรู้เหมือนก่อนมีผลนี้ก็ขบขอบมันไวอันนี้เกิดขึ้นมาก็ขอบมันไปแล้วก็เอาไว้อย่างนั้นถ้ามันก็จะเกิดขึ้นครั้งแรกครั้นั้นเมื่อเราจับจุดนั้นได้นั้นเข้ามามันก็หยุดแล้วนี่เรียกว่าจิตหยุดคือไม่คิดไม่ปลุกแต่งๆแล้วแล้วก็ดูจุดรู้นั้นดอต่อไปจนความรู้สึกมันมันเนื้อเป็นหนึ่งหมดแลถ้าจใจมันเป็นหนึ่งอยู่ในจุดเดียวรู้ได้แล้วก็เรียกว่าใจเป็นสมาธิแล้ว เป็นหนึ่งไหจุดเดียแล้วก็ม่ปีปีติสุม่มขึ้นมืม่อมแต่เราก็จําจุดนั้นไม่ดีที้นเนี้ยจําไว้เนีเวลาจะเข้าสงบแล้วก็ดึงความรู้สึกเข้าสูงจุดนั้นทับนี่เป็นวิธีสงบจิตอันนี้เราก็ยังต้องทวาหน้าที่ให้จิตนั้นมีปัญญาเอกําหนดโลกายังที่ว่าเี่ย ต้องประคองเรออกากำหนูรู้กายทั้งหมดด้วยพับเหมือนกับเอาสู่มความไก่ความรู้สึกว่าตัวเองนั่งประคองให้รู้เวลาทําอยู่บ่อยทำมาเข้ามาเข้ามาเขามาขอนั่นละมันจะเป็นทางให้เกิดกายปรากฏให้จิตเห็นเรียกว่าอกไกยมิดครั้งแรกเป็นอกไก่มิดเอากดลาบขึ้นมันก็เห็น เห็นผมเห็นยังแล้วแต่บางครั้งบางคำมก็ปรากฏบางส่วนทางถ้ามันปรากฏส่วนไหนแล้วก็ให้ว่าให้ใจจดจ่อมันเกิดขึ้นมาเพามันก็จับทันทีไม่ไปที่ไหนก็ให้จดจออยู่ตรงนั้นพอจดจ่อในตรงนั้นแล้วมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นเป็นทั้งหมดเลยเห็นทั้งนอกทั้งในเนื้อเห็นหมดเ่ะอาการที่เห็นต่อไปนั้นเรียกว่าปฏิภาหของอากาศเป็นปฏิภาห กําห um นดแน่นไม่ไปแน like. ่นไมไปนานข่า like ่นางข้ายกายมันก็จะแตกละลายไปแล้วก so ็เข้าถึงจิตเลยทีเนี้ยเข้าถึงจิตเข้าถึงดวงรู้เลยทีไม่ต้องถอนเข้าถอนออกเลยมันเข้าถึงดวงรู้ล้วครั้งแรกเนี่ยมันเรากําหนดดวงรู้กําหนดดวงรู้แต่ว่ามันยังไม่เห็นกายมันกำหนดดวงรู้ให้เป็นหนึ่งแลนับว่ากำหนดรู้กายกำหนดรู้กายไม่ต้องไปคิดพิจารณาเลยฮะกาหนดรู้ทั้ง ไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คิดเห็นไหะครั้งแรกเราประคองความรู้สึกของเราให้โน้มอยู่จุดเดียวในที่ตั้งขึ้นะาประคองรักษาไว้นะนี่ถือว่านี่คือรักษาสติรักษาจิตตีให้มีสติให้มันรู้อยู่ในจุดนี้รู้อยู่ในจุดเดียวนี่ยไม่ไปรู้ที่อื่นมันจะทําให้มันเป็นหนึ่งความรู้สึกนี่เป็นหนึ่งในจุดเดียวนี่ จนเน่าเป็นหนึ่งแ้เพราะมันดึงหนึ่งได้แล้วก็เรียกว่าภูมิสมรรฐมัน ก, ก็ถึงแค่นั้นหมดแค่นั้นต่อจากนี้ก็จะเป็นต้องต้องสร้างมืปัญญาบ้างทีนะีะสร้างปัญญาก่เดินความรู้สึกมากําหนดดวงกายพัดทำความรู้สึกกายให้ทั่วให้โลยู่งไอ้เมื่อทำงานพอรบกวนเลยเห็นว่ามันกําลังใจมันจะอ่อนะ่ะกลับคืนเข้าไป ก, กําหนดดวงรู้อีกไหม ไปรู้อยู่ที่รู้อีกทําให้มานานเตารู้อยู่ในแนวเป็นหนึ่งนะเอาว่ากำลัง x าำอยู่อย่างนั้นจนมันเกิดมันรู้มันเห็นขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นตัในช้ได้นานข้างหน้าเขาบอกว่าเราวิงเข้าหากัดมาคราวครั้งแรกเอากำลกกกนดรู้เอาใจจะรู้อยู่กายเลยนะทีนุ่โมอปรากฏโอกาสนี้ขึ้นมาเห็นเห็นกายทั้งหมดนี้มันก็ต่อจากนั้นมันก็ไปเห็นจิตเอ เห็นการละรแมงเย็นมันก็เข้าในจุดเดียวเหมือนกับเราทำครั้งแรกเนะข้าถึงลงโลเลยอันนี้เป็นวิธีการาการปฏิบัติเพื่อให้ใจของเรามันมีการมีการทําเพื่อไม่ให้มั น, นทอ้ทอถอยอนะถ้าว่าเราจะใช้อารมณ์อันเดียวอย่าใช้อับปัตย์อย่างเดียวมันอาจจะเค ร, เคริบเพิ่มแต่มากำหนดลมมาให้ใจเข้ากําหดนไหดนไปกําหนดไปกำหนดก็งอเริบเพิ่มไปเคริบเพิ่มผลสุ้ายแล้กล่อมลงกล่อมลงกล่อมลงมันหลับในตัวเลย เงินเราต้องระวังให้ตัวให้ดีใครอย่าให้สํานวจตัวเองอย่าให้ทีม่ทํามาครอบงําให้ใจของเรามีสติตลอดอย่าให้หลงลืมถ้าเราเพียรพยายามรักษาสตินั้นไว้ให้ดีได้นะตัสมาสมาธิก็เกิดขึ้นผาสัมมาสติคือตัวสติอย่างพังพลงมันสัมมาส ม, มาธิไม่เกิดอ่ะมันพอว่าเป็นไม่บอลไวก่อไป นิวรัคืออิมิตาควา ม, มง่วงนอนเป็นเหนให้สติของเราอ่อนอทำที่มันมากก่าวนำมาแสดงก็ให้วิอภายวิธีปฏิบัติเพียงแค่นี้ให้ทุกคนนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองก่อนท่จสมควรในเวลาเอวังก็เมน้วยประกาศนั่นชนี